อันมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่งางๆที่รับผิดที่จิตเป็นคนรับผิดชอบและอุปท า, านยึดมั่นนั้นแล้วมันจะต้องแสดอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรคของใจจึงเป็นเรื่องเือกำเริบไง่ายเรือ่อรังแลบไม่ค่อยลงด้วยอืมเราเลย พลังภาษาไปโดยลำดับกำลังอย่างน้อยก็ให้จิมีความสงบมีความสงบเป็นความร่มเยินเป็นที่อยู่อาศัยของจิตก็ยังสบายพระเราถ้าว่ามีความสงบภายในจิตเลยมันก็ไม่ผิดอะไกับพภาวาเขาแล้วเป็นเดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วยพุ่นลายตายแสบเพราะฉะนั้นตรงกําหนดอัตธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสังสอนไ ว, ไว้แล้วอย่างไรทุกคำพูดนี่บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งรวมระวังระวังา ว, วายทั้งหกภายในภายนอกกับภานภายในอธิชาภายในเจ็ดกระทั ก, กันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัส น, นะนี่คือท่อนบอกไม่ให้ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจด้ย เรียกว่าทำแต่ไม่ชอบแล้วไม่ผิดและไม่ยินดีนรูปเสียงเป็ี่ยนลดตั้ผทั้งปัดเวลามาสัมผัสตาหูถึงนิ้วกายใจการไม่ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบรรทาการพิจารณาแก้ไขหลีกเรี่ยงสิ่งที่จะทําทำให้ยินดีินได้ไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติ ต้งม or. ีความเกิดต่อเนื่องกันกับการรักษาจิตทังตัอยู่เสมอคือือ่ผู้ภาวนาหรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นก็บำบุงใจรักษาไม่ยุ่งก็คือต่างๆบำรุงก็คือทําความสงบเร่มเย็นให้แก่ใจแล้วพิจารณาบรยอบายทางด้านปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งต่าง บังบนใจด้วยความท่าเฟียงในแง่ต่างๆเป็นการบังบ่นทั้งนั้นเราเกิดเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วนี่หลยพลุนพลังพ ล, ล, ลังหัวใจนี่นเคยเป็นม า, มามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกทํา้งเป็นคารวะาไม่ค่อยจะจดจําอะไรมั้งนะแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภาังจิตใจในเวลา เป็นพระนี่รู้สึกถ้าจดจําได้ดีถ้าเป็นทัศน์ได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่าาทีเดียวเวาออกปฏิบัติจิตมันดิ่งมันดิเวลาจาเข้าได้พอเขียจริงจริที่เรียนทนา อ, ด อ, ดขขข อ, ขอาซ้แต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่งก็มือนไม่มีแต่เวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้พอเ ข, ข, ขีย จริงๆมันกัดมาชนเ่้ของต่อสู้เจ้ของต้องฟาดต้องเหวียงมนันเต็มที่เต็นฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่เฉยๆเลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยกาอทํามันจริงจริงเพราะความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นดังธรรมดามุ่งมั่นเพราะความพ้นทุกข์เป็นคําแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจ ก่อนที่จะออกมาพูดปฏิบัติได้มีความเครื่อความสงสัย ใ, ในศาสนาธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานน่มีถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มเ น, น็มเหมือนก็ตามเแต่รับโอวาจาขอแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่า ป, ปลดเครื่อลงได้หมดร้อยเปอร์เซ็นเป็นความเชื่อตามสามัญประจิต ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงสัยแล้วเรื่องของปุญญภานเพราะท่านเปิดทเท ล, ลมาให้ฟังทุกแง่ทุกมุมนั่นที่ห้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบ่งสู้แบ่รับกับแง่ใดให้เป็นความสงสัยพอที่จะให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปในแต่เพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นเอยเมื่อเป็นไปนั้นความเพียรมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วตั้งต่ออกมาปฏิบัติทีแรกนั รเริ่บอกมาก็ตั้งใจจะภาวนาพเพื่อเห็นจิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แยะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่มจิตเคยเป็นแสดงความประยจารย์เห็นเราจําไม่ลืมจงกระลั่งผู้วันเห็นเราที่แสดงความแปลกประหลาดอริจารย์เ ห, นะยเห็นสามผลตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ทั้งหลายเป็เพราะการทรําภาวนาเราทําอยู่ไม่หยุดไม่เป็นในร่างออกปฏิบัติแล้วทีนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้ อมีเป็นทาบ พ, พื้นนั่นหมายถึงว่าคันเดิมเลยยังอาจจะต้องเอาสิตดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่เปลี่ยนประหละาดแต่นั้นให้ได้อแล้วให้ได้โดยลํำดับไม่มีคำว่าถอยเราเห็นเชนั้นกันต่อสู้กับพี่ตนาอสุวะซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเจ้าอำนาจเคยบังคับบัญชาจิตแให้องเรามาจนกระทั่งจิตมอบจงไม่เคยถึงโทษทั้งมันเลยนะนานเท่าไหร่ เราไม่สร้าบเลยแล้วจะจะฟากจากฟันจากฟาดจกเหวี่ยงออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทําสุกกําลังความสามารถเอาเป็นตายเขา้าความตายเราเป็นเราตายเข้าว่ากันเราเป็นนั้ น, ค, น, นความเป็นต้องหนักต้องทุกข์ต้องลาบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะถอถอทอนยิ่งมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์พวกนักมวยกําลังต่อยกันอย่างนี้ททุกข์มันก็ไม่คำนึงถึงความทุกข์ครับ ความมัดระวังตัวแล้วความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเนื้อมมืองนอกเขามันมีพลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลาบากในเวลาชกหรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปถึงเรื่องที่จะมาคิดคคลาิดเรื่องความยากความลาบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักที่อยู่บนี้มันต่อสู้กันไปเรื่อยๆมันไม่พ้นมีสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจนะ มีทุกคนกิเียดหามาเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนแม้ผมผู้เทศนี้ก็ตัวหาฟองกิเลสกองวัตตะมากี่พบกี่ชาติคือหน้าสามารถชนะป่านได้แต่เป็นความที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเรื่องพบภาตที่สูบเนื่องมาเดิมำดัๆเปลนของมีประจําจิตที่มีวิชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราเชื่อมีพันเปอร์เซ็นเราเขาเชื่อพันเปอร์เนใครจะมาคัดค้านใครจะ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 สาาเหตุมาจากไหนพาให้เกิดเกิดเกิดตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นไปข้างหน้าอะไรเป็นสาเหตุก็ อ, อันที่เคยเป็นสาเหตุทั้งแรงมันจะพาให้เป็นไปข้างในอนาคตอวิชาปัญญาสร้งข้ารานะอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยอืการทุกเราก็ทุกมาพอแล้วเราอยากเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้ ม, มีพุทธธรรมสงสสรุปแล้วธรรม ถ้าทํำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านั้นคือจะสามารถหรือเรายกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอํานาจแห่งความภาพเปลี่ยนของเราที่นํำทำขึ้นมาครอบครองตัวเองอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแบ่ประหลาดอัศจรรย์กอที่จะใหุ่งเพอเหอเหิมไปตามเป็นลืมเนื้อลืมตัวและลืมความภาพเปลี่ยนลืมอัดลืมทำซึ่งเป็นธรรมปฏิสตอสติอยู่แล้วนี้ กายเป็นของมันมีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่มันมีคุณค่าราคาว่าเป็นสาระสำคัญนั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นปตามขี้เหร่ซึ่งเคยเคล้อยตามมาันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวทำต้องคัดค้านเสมอค้านกับขีเลรเพราะขี้เหร่คัดค้านทำเสมอเมื่อไปถึงนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการสติปัญญาเป็นอาวุธต้องการที่จะปราบฟันทันเนี่ยกับขี้เลรทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญา ศรัทธาความเขียนนี้ไปได้เลยเราให้หลักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นพาหทั้งองค์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบูรุษทั้งเป็นอาชาในยในตัวเองเอให้กินให้กันยาวไปคิดทอดแแทความคิดทอแแทเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประพฤติธรรมความคิดเช่ น, นั้นไม่ได้คิดเพื่อเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทยัยที่จะเพิ่มกิเลสขึ้แล้วทําให้ เราเกิดความทอ้อท้ออ่อนช่ายลงไปโดยลําดับผลประโยชน์ที่จะพุงได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเกตนาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อเพื่อทางนที่เรศมันแทรกกับเราตลอดเวลาเผลอไม่ได้เอาให้ตามตรงนี้ให้ดีเผลอเมื่อไรนิจิเต้องแทรกทันทีแทรกทันทีมันคอยทียเสมอระวังคือคอยทีสติปัญญาเผลอเมืไ่ไรเป็นออกทั้งขานเผลอเวลาอเป็นกลุ่มสัญญาความ หมานี่ยิ่งเอียดกว่าทั้งขนันถ้าสทัส้งเกลดดูในขันอันนี้ทั้งขันปรุงแยกออกไปเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สัญญานี่มันไม่ได้แยกเวลาเรากำหนดขัน้มันเงียบสนิทขันใดจ ะ, ะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลาแสดงสัญญาขันนี้มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษสี ซึมออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทําให้ได้ส <av> ังขารตุงไปตามภาพนั้นเป็นได้ต <sk> <sh> ุงไปเป็นเรื่องเป็นราวลยเพราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะถึงยาวมันวาดภาพขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองสังขารก็จับอานนั้นตุงมแต่เรืยไปเลยไม่มีที่จเวลาเราเผลอเผลอเผลอไปไม่ได้หละมันเป็นอย่างนั้น หนักก็ทนเราอยาไปสในใจกับเรื่องความว่าหนักว่าเบา ว, ว่าลําบากลําบนผู้ปฏิบัติพระพทุทธเจ้าของเราทรงดําเนินมาแล้วในทุกเแง่ทุกมุมแง่นใดทีงง่เห็นว่าเป็นเหมาะสมแก่การสั่งสอนชาวโลกให้เด็นไปทุกความรัดความตรงความสะดวกสบายพระพทุทธเจ้าทรงเลือกเป็นหมดทัาก์ติกำลังของโผงแล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทา นีเท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นดูว่านี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัตมาปฏิปทาไม่มีจิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนั้นพยายามดําเนินตามนี้ทังจะยากง่ายเขายากง่ายอยู่ในทางตรงเราเดินทางลาดเดินทางตรงอยู่แล้วยากก็ช่างมาันเดินทางอ้อมอย่างนี้ยากทั้งยากทั้งอ้อมทั้งโคตทั้งโคมหรือไม่ดีหลงทางไปเลยไม่จุกไม่ถึงสิ่งหมายปาถามว่า ยึดหลักให้ดีทำจิตใจให้องคอาจกล้าหารพิษแพงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงคอยดูสังเกต ด, ดูพิเรศมันจะกระสิบกระซาบขึ้นมาภายในจิตมันอยู่ในจิตไในพิเรศจะเข้าใจอยู่ที่อื่นในคอมพิวเตอร์มีแต่ชื่อพิเรศบาปธรรมเท่านั้นนแหลมความโลภ ค, ความโกรธความหลงราคะตันหาพิเรศพันห้าตันหาร้อยแต่ถึงหลักแต่กแขนงไปนั่ น, นแต่กแขนงไปอย่างนี้ พระสูตรก็ดีพระวินายก็ดีพระปรมาสก็ดนะีเราไปเห็นตั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแนหะพระสูตรพระวินัยพระปรมัตก์ชื่อของอัตของธรรมชื่อของกิเลสกันหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันสแสดงอยู่ภายในใจิตใจของสายโลกปุ๊บอกจ่าแสดงมาที่นี่เมื่อวานกบคงไปนีพผ่านไปแล้วเนหลายร้อยปีที่หนึ่มีผู้มาจดใจฤทธเนะีเออ่ยทำให้เป็นกลู่เป็นหมายไว้ในกำภีใบลายเป็นแผนที่ทางเดิน เราทั้งหลายจึงได้ไปอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันทที่ตรงนั้นเรียนได้มากเป็นน้อยเท่ายก็ถือความจดความจำนั้นว่าเป็นของตัวนะ ว, ว่าตัวรู้ตัวฉลาดทั้งๆที่จิ เ, เลสความเผารนอยูหน้าพายาจิตใ จ, จร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจําเป็นเหตุ น, นั้นนอกจากเพิ่มกิเลกขึ้นด้วยความชังพันตัวรู้ฉลาดเพราะเรียนมากเท่านั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใด นั่นหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูกจําชื่อที่เด็ปัญหาสาระประเภทต่างๆจําวิธีการของอัตชั้นทำที่ท่านแนะนำตัวกการแก้ไขถอดถอนหรือปลดเครื่องที่เด็ดพัลละได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจริงคืออยู่ที่ไหนที่เด็ดบาปทำอยู่ที่ใจคําว่าราคะความกาหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดิที่ใจโทสะความปุถุสราหรือโกธาความโกรธ เรีกต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจสแสดงขึ้นที่ใจโมหะความโล่งความหลงก็อยู่ความโลภก็อยู่คือความอยากความทะเยอทะยานอันนี้มันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านมาแสดงความโลภความโกรธความหลงให้เราได้เห็นอยู่ในกำภีรแต่ใจนี่มันแสดงอยู่ตลอดเวลารนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นย้อนเข้ามาตรงนี้ที่เรศมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในกำผีนั่นท่านชีช้ชเขียมทิศเข้ามาหาใจเราไม่ประมา ض, ททานอกทําใน ทำนั้นเป็นทำนอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ทำในาให้เราได้ไปปฏิบัติเป็นปุ่หมายป้ายทางบอกเข้ามาเข้มทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้เราทั้งหลายได้ไปปฏิบัตินี้ว่าอย่างนั้นตานขาดเราจะไปหลงเพลินหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปไม่รู้จุดตัวอามัตรงนี้เยพระพุทธเจ้าท่านตรับจรู้จับรู้ที่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มีความอากข า, า, านง่ายเลยวิธีการปฏิบัติของเราแต่ว่องครละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการตร้องขอความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกที่เดียวเป็นภาพพื้นแม้การเริ่มต้นพุหัดก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาพพื้นเสมอ เราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสําคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกับไปเริ่มดับสติจริงเป็นของจําเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่ากล่าวไว้ว่าสติสบัดถัฏเทยาสติจันทรองปราถนาในที่ทั้งปวงเหมนว่าสิงาส่งที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเยน็นครอบหมดเลยเหมือนว่าจะทําจิตการงานภายนอกภายในสติต้องมี พยายามสุดให้ดีอย่าไปสนใจกับอะไรเราอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเราว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเราสีรถเรื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั้นขึ้นมาก่อควรตัวเองต่างๆผู้ก่อเรื่องนี้ขึ้นมานั่นคือใจใจผู้ก่อเรื่องไม่เรื่อ ง, องนีอย่างนั้นอย่างนี้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 แม้ในสดมัขันห้าที่มีอยู่ในตัวเองเมื่อจิตไมาให้ความหมายมันเสียขันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยกันเนีร่อของเราเนี่ย <c oughs> เหมือนดินน้าลงไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราก็ให้ความหมายมันให้ชื่อให้นามมาันนั่นน้ำนั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้มีภูเขานั่นดินนั่นชาติว่าไปเรื่ยๆไม่มีที่สิ้นจุดสิ้นหมายปลายทาง ร่ายในร่ายบ้าไปเลยจิดไม่มีสติเหมือนจ็ตไม่ไปให้ความหมายเสียจิตจะมาระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็จะสนุกค้นตัวเหตุมันก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอยู่ภายในใจได้ยอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยถ้านังจิตทรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นเสียงใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เด็ชมันผักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากยิ่งกว่าเรื่องภายในที่เดชมันหลอกออกไปโน้นให้เราตัด คลุกเงามนันนู้ตัวนี่เลยจริงๆมันอยู่ที่ใจ ม, มันไม่ได้จับคลุกมันไม่ได้ขยัำขยี้มันตรงไห น, นเพราะฉะนั้นจึงต้องสนใจลงที่จุดนี้แต่จิตมันไม่มีจุดที่ควรจะจะับได้ว่ามตรงที่ตรงไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมก็ตั้งให้ใ ห, ให้แน่แม่นย่ำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมอ๋อไม่เอาอะไรละคำบริกรรมนี้เท่านั้นจะเป็นผุดโถยเป็นอะไรก็ตามเอาอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไม่หยุดไม่ถอย แล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามากระแสของจิตที่สร้างแต่ในอารมณ์ต่างๆมันก็สู้ความตั้งใจสู้การมาคับบัญชาจิต ด, ด้วยสติตไม่ได้แล้วมันก็ตะล่มตะล่มเข้ามากระแสของจิตจะล่ำเข้ามาจูจิตเป็นความสงบเย็นขึ้นมานั่นเห็นได้ชดัดในอันหนึ่งการพิจารณากายเหมือนกันจะพิจารณาอรูปะ เป็นของปฏิกูลโสโคร ก, ากภายในร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละเป็นกองปฏิกูลนี่ตามหลักความจริงความปิ่นเกลียวของธรรมความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปิ่นเกลียวธรรมเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์สมรรคน์นั้นคือตัวพิริย์ยันแน่นอนน้อยเปร์เซ็นพยายามแก้ตรงนี้ด้วยกา ร, รยกาแยกธาตุแยกขันแยกอวัยวะ ส่นต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปัิจูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุเนี่ยปฐวีกับธาตุอาโปลกับธาตุวายกับธาตุจนกรทั่งมาถึงมโนกับธาตุธาตุเข้ามาอานี้นี่แหละพิจารณากายเรื่องสร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าอะไรไ้มไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งกันไม่ได้ปลาตัวหนึ่งปลาที่เข้าตลาด สัตว์ต่างๆตายเนื้อหนมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมันแต่มนุษย์เรานี้ตายมันมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ทําประโยชน์ให้เกิดเสียตั้งแต่บัตรนี้ยิ่งเราเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นเพศ พ, ศพิเศษด้วย <c oughs> แล้วก็นักที่การงานของเรามีเฉพาะการมนเป็นตัวให้รับความผิดพ้นจากพิเดตะอัชร์โดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวาย เรารับความลำ บ, บากบบราะบวนพวาเกี่ยวของกับการติดต่อปฏิยัญฐานตอนลากเท้านี่จะหน้าที่ของเราทําโดยถ่ายเดียวเอาให้เต็ ม, มเตมตจนหน่อเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงอุจนาความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายมีเต็มโลกเต็มมืงสารตายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตทั้งหมู่คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีแต่ปัญช้าของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีปัญช้าของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆมันตายเกิดตามแถวนี้ เราไม่สําคัญมั่นหมายไปเยฉยว่ามีที่นี่คือป่าช้าเราว่าเป็นสาระในร่างกายนี้เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายของเราสัตชนิดต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายนี้มีจำนว น, นมากอเป็นเชื้อโรคนี้มีอยู่ภายในเต็มโดยหมดมันก็เป็นสัดชนิดหนึ่งหนึ่งแล้วมันมีอะไรที่เป็นของสวยของงามทันหน้า่าจัใจพิจารณาแยกมันเห็นตามความจริงของพระพุทธเจ้า ในความคิดในความเห็นของกิเลสนั้นอนะ่ะหักเป็นของสวยของงามมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึนขนาดอุปทานยึดมั่นยิ่งตะปูตีกันยังม่แน่นแ น, น่เหมือนอันนี้เหมือนอุปทานถอนไม่ขึ้น <c oughs> เลยอ่ะพราะอำนาของกิเลสความสาคัญตนเนี่ยมันสู้กันกลับทำนี่เราจะพยายามแก้ถอดถอน ความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เศษล้วนด้วยธรรมะคือสติปัญญาศึกษาความเป็นทั้งหลาเขาให้เห็นให้ชัดคำนวณลงจนกระทั่งหินมันตายจริงๆมันจะไปไหนเขาความจริงความตายถึงความจริงแท้ทาไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงนันเป็นเพราะอะไรความปฏิคูลโสโคกในร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดไม่มีข้อยวเว้นนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทําไมจิตเรามันไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไร ค้นทำมันเห็นใช่เอิด อ, เอให้เห็นด้วยสติปัญญาของเรางานนี้เป็นงานของเราโดยเฉพาะไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยจะอุบายต่างๆดังที่อธิบายฝั ง, งด้วยมานั่นเอ ง, งจะทําหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวเราเองอาจารย์เป็นนูนาถูเมื่อได้อุบายต่างๆจากท่านแล้วก็นําไปใช้ จะเป็นประโยชน์แต่เราในขณะที่ฟังชุดบุญท่าปฏิบัติก็ขณะที่ฟังทำเลยครับความสงบเย็นใจหรือมีอุบายอะไรอันหนึ่งที่ยึดจากครูบาอาจารย์ขณะที่ทา่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วการเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองนี่เป็นของสําคัญอาให้จริงให้ใจังผมเ่เป็นห่วงหมูหม่เพื่อนมากจริงจริงนะมันต้องเลยอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะของจะมีความสมบัติรนมุบ้างแต่พอ ที่จะถูถ่ายเป็นไปได้แล้วก็ถูไถ่เรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจประชาชนเขาเป็นโลกลมันอยู่คนละโลกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกแห่งศาสนาที่พร้อมแล้ ว, ท, ลวที่จะทําตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยความเปลี่ยนของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นพระเราอะไรก็ไม่อยากให้นเขามายุ่งมากวนพระได้บําเพ็ญเปลีย น, นได้ความสะดกสบายเพราะเป็นจุดสําคัญของผู้บำเพ็ญศาสนา เพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจต้องด้วยอํนนานาจแห่งความเพียรเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตังเป็นความเพียรอย่างเดตยมตัวนี่เป็นของสําคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเราไม่เห็นงานใดที่เป็นของเกิดเลิศเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเวสด็จากหลักอ น, นี้ไปคว้านั่นคว้านี้มาดุ่งมาก่องมาสร้างมาวุ่นวาย เป็นการบรบกวนความทาคเพียนอันสําคัญ ง, ง, งานอันสําคัญให้เสียไปนอกจากมีความจําเป็นไปนั้นเป็นไา่ทำจำเป็นไม่ให้ทำทำอันนี้ทุ่มเทสติกําลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแก้ชิเลสปัญหาอาสวาน่นี้มันก็เปน็นเป็นประโยชน์อะไรนั่นอีก <c oughs> เหมือมีกิเด็สอยู่มากภายในใจมันก็โทุก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 ตัวเห็นว่ากิเลสเป็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจเราจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเป็นเม็ดจําหน่วยและถึงใจเป็นเดียวกันจึงจะทํากันกับกิเดสนาอสาซึ่งมันเคยเรืองอำนากมาเป็นมิลานานขี่กับขี่กันนับใม่ถ้วนเลยแล้วจะพอใจเกิด ต, ตายอยูหรือมีผู้ใดที่แป่ประหลาดก่อโลกในโลกทั้งสามนี้มีขาดก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงถึง ภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโลภนะความโกรธนะความหลงราคาตันหาหลงดิ้นตายไปกับมันหมดทั้งนั้นมันล่าเราถลอกปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหล่าตายแล้วตายหลอกในพกน้อยพกใหญ่ไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์หาตัวประกันไม่ได้เน้น แ, แต่กรรมของตัวเองกรรมของตัวเองก็เลเป็นที่แน่นอนว่าได้ทําอะไรกันมาบ้างแต่พระเจ้ทาท่าน สามารถทำละท่านเห็นโทษในสิ่งนี้ลโลกโกรธหลงเห็นโทษอย่างพระจักรพรรดิแย้มมิจทาความเพียรห้ามหันกันอย่างเป็นที่เต็มฐานถึงจะตายพระองค์ก็ไม่ถอยเยิ้มกระชั่งเรลยปราบตามสิ่งหลนี้ให้หมดได้จากพระไทยกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นจักรรรดิเอกของโลกนะนี่หละความรู้ความเห็นคําพระโวติยาบแปลจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกฐานไม่มีใครที่จะได้ความรู้ความเห็นอันฉลาด อาจเปลืงนี้มาปราบสิ่งที่เป็นไทยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยข้ามาสั่งสอนสารโลกกสั่งสอนอย่างนี้แหละโี่เฉพาะอย่างยิงย่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าต่างตารือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยเปอร์เซนที่จะมาพิสปฏิบัติตนและฟังธรรมะของพระเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรานี้เท่ า, านั้นเอาให้กินให้จัง เรานี่อยากให้หมือเพื่อนรู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงจรงนอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้ใช้ปัญญาพิจิิจารณาตามที่กล่าวมันนี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพื่อพิจารณากายก็ดีเอาข้างนอกมันจะเทลินในการพิจารณาข้างนอกเอามาตั้งไว้หน้าต่อหน้ายื้ ไม่ว่าเป็นรูปหญิงรูปชายรูปตัวสาคัญที่มันเป็นภาพสิอ่อต่อจิตใจดีๆนั่นแหละอิทธิรูปังมันอ่ะมันมาตั้งว่าทางแม่ยังไม่แน่ใจอย่าดว่วนเนะให้ท่านมาใกล้ให้อยู่ห่างังว้ก่อนกําหนดตั้งภาพขึ้นมากําหนดลงให้มันเปื่อยมันปุพังแตกเน่าส้นหลายไปหมดกาหนดร่างกามาจียื่นยื่นนั้นยุ่งไปหมดเต็มลงเต็มป่านเป็นหลไรมีกี่ข้ากี่ศกมีกี่รูป เอามากองตั้งเป็นแถวแล้วกําหนดอยู่ข้าดาดดาดไปด้วยของปฏิพูลโสโคกเป็นภ่าช้าผีดิบให้เห็นอย่างชัดๆนั่นขออกจากนั้นย้อนกลั ม, มาหาตัวเองเทียบกันลงได้ทุกสัดทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบ้างคัดจิตให้มันเดินอยู่ตามแ ถ, ม, ถมนี้ไม่งั้มันจะเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องมังนจะเฉยไเหลือหาเรื่องขนาดนั้นมันยังเชื่อมนมุษย์เราแตพาะอย่างยิ่งเรายังเชื่อมันได้ หาความงามทีไ่ไหนให้มีมันมีแต่กองปฏะกุลเอาของปฏะกุลมาดูให้เห็นประจักษ์ถ้าทำไมมันจะไม่ยอมเที่ยวเพื่อจะเจ้ามันจริงกังเมื่อแล้วเอาขยับเข้ามาพิจารณาเนั้นแล้วพอถึงจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูให้มันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาใมันสวยงามขึ้นมาสวยงามคือ ข, ข, ข, ขนาดไหนตึงขึ้นมาแล้วก็อทุทภาพ ราดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ํามันรากมันลงไปแล้วไฟเจาะเข้าไปมันลุกโรงนะเป็นเปลไปเลยนะอุบายสถิตปัญญาแล้วถ้าใครจะคิดเป็นเป็นมรรคทั้งนั้นที่พูดนี้อุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขานคือความปรุงนั่นแหละเป็นธัตที่เรียกเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุทัยมีไฟธรรมะให้ปรุง เนอัดเป็นทำเครื่องแก้ที่เด็ดยังที่เยื่อแค่อาจเป็นอสุภ้อสุทังของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบจนแตกกระจักระจายสลาลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลงไปนี่เป็นทั้งขานที่เป็นสามากเครื่องแก้เครื่องถอด้อนคําว่าสวยว่างามคําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นจัดเป็นบุคคลให้มันละลายกลายจากความเป็นหลังนี้เสียมาลงไปเป็นภาคเป็นน้ำมูลไปแล้วใครจะไปตั้งขันมันหมาไปไปรักจะชอบงานดิน น้าลมปัดอแล้วปองอั้ป่าช้าเราเราเห็นแม่คนตาใครจะไปชอบเนแม่คนตามองดูแล้วดูได้เมื่อไหร่เกิดความสุขสังเวชขยะขยันจะตาไปไม่ธรรมะยิ่มาเสร็จฉะนั้นมันเป็นของสวยของงามย้ำแล้วย้ำเล้วพิจารณ์อย่างนั้นสติปัญญาบังคับมัญญามันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับี่เวทตอนเราปล่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆพิจารณาค่อๆไปแล้วหาหาย พอแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่จช่แคพูดต่อบพูดไม่จช่แค่พูดทํางานเพื่อเหตุผลเพื่อเพื่อทําอย่างแท้จริงจากตัวเองผิดลักษณะของชนิดกิจคาถาโทต้องจริงจังทํามามีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนํามาใช้เอาปัญญาใช้ขั้น่านท่านถ้าสงบไม่สงบเอาเหาวบายใช้อะไรนั้นสงบด้วยการพิจารณานี้ก็เอามันได้ เดี๋ยวสงบด้วยบบริกรรภาวนาก็ให้ได้เดี๋ยวสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกําหนดเมื่อไหร่มันก็สงบนั่งกอดเป็นอันว่ารู้วิธีแล้วนั่นนะครับต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญายานอนกอดความสงบยื้เฉยมีเคยติดมาแล้วได้พูดให้หมูเพื่อนฟังมาทราบกี่ร้อยี่พันหบนั่นแหละพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะพูดถึงข้ํามศักสิ์หมูเพื่อนได้ยินแล้วเคยได้ยินแล้ว เราก็ติดสมาธิมาเท่าไหร่นั่นละเพียอนสมาธิมันก็ได้แค่นั้นไม่นด้มากมายิ่งกว่านั้นพอใช้ปัญญาตอนนี้มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเท่าไหรมันตัดมันพลาดมันฟันหั่นแหลกกันไปเดิมดบบคุยเสียวขุดค้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งฟันกันทันแหลกไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เป็นการฟึกตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกําลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาเหล่านั้นอีกด้วย สติก็เหมือนกันมันเพินต่อการพิจารณาสติปัญญาก็ไปตามตามกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละยายละลายที่จะห้มคิดขึ้นมาใช้โดยลำพังตนเองเป็นจุดยังว่าเราพูดให้ฟังเป็นกลางๆกันันแ้แยกแยกไปใช้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาคิดได้อ่านได้ฟังได้พิจารณาได้โดยอุบายตัวเองนั่นเป็นสมบัติของตัวแท อันนี้เป็นแต่ครูวาจาหยิบยื่นให้จะให้หลุดตีนหลุดมือไปเสียไม่เกิดประโยชน์ให้ได้เอาก็ต้นทุนที่เอาปจากท่านนี้ไปค้ากำไรให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยความคิดทั้งตัวเองเองนั่นแหละมันเป็นของหนเหนื่ยี่จะน้ามนต์โลกฐานเต็มกัวศิกําลแงความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการมี ง, งานอันอื่นไดแล้ว มันอดไม่ได้ที่จะมายึดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรนี่จะนํามาพิจารณาเดินไปตามถนนโน้นทางหรืนั่งรดนั่งลาเป็นกายเหมือนหัวต่อถ้าจิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อนี่มันกําหนดพับพับพับพับพััตามดื้อพอเข้าใจแล้วปล่อยแล้วสัมผัสตั้มเขาอีเขาอีพิจารณาหนึ่งเป็นนิสัยของจิตเราเขาเป็นอย่างนัแล้วก็ประมวลเข้ามาก็มีอะไรอย่ นนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเกียมนันมีแต่เรื่องจริยธรรมหลคนนั้นถึงบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดิแต่เราพูดย่างนี้โลกเขาก็จะว่าบ้าจิตวิทยาแสดงออกนั้นเขาไม่รู้นะีะระหว่างว่าอะไรท้ายแสดงออกมาในทีตวิยาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราทราบนี่นะเพราะเราได้เคยพิจารณามาแล้วมันเคยเป็นหนึหัวใจเราเล้ว แล้วคยพีจารณาแล้วเราไเคยแก้มันมาโดยลาดับหนดับแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจนเมื่อมันแสดงอยู่างน้นพูดใดใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงอย่างไรอย่างบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจทันทีทังทีมันเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขแล้วเขาไม่เคยแจ้ไขใช่เขารู้ได้อย่างไงก็เป็นปตามภาษาพูภาษานไงใคาจะเรียนความรู้มากน้อยปริญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอาขี้เด็ก ขึ้นอยู่บนหัวใจจนได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องมืออันทันสมัยของจีเรยดยซ้ำไปถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแทรกเือเลือกจีเดศจะได้สนุกใช้คนฉลาดดังนั้นเรียนม า, มาก้างมันก็ฉลาดมีความรู้อันนี้จีเลรศมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบกใจมันได้เครื่องมืออนดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้ว คนที่เรียนมามากมาสะสมอํานาจวัฒนามากเท่าไรยิ่งทําความเด็ดด้อนให้เกิดตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทําความร้อนแก่ตัวเองแต่การทําร้อนให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่ยังไงก็ตามความโลกความเยวธยานยากความหลงอํานาจวัสนาเป็นดืมด่มเนื้อดื่มตัวมันบีบบังคับมันปิดหูปิดตาไม่ให้หรู้ ถ้ามีทำมั่งมันต้องหลูถ้าจะโลกไปอะไรนักหาตายแล้วก็เห็ือนตะกิตลาธรรมมาแล้วก็อยู่ในโรงนั้นเห็นได้เรื่องอะไรก็ผอมก็ไปแล้วก็พอไฟดับมันก็เที่ยวเสียออกมามันก็เห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นมีเท่ า, น, า น, นั้นได้อะไรแล้วจะตื่นไปอะไรนักหาความทำอะไรมันก็พออยู่พอฟินอยู่แล้วในโลกอันนี้แล้วจะโลกไปหาอะไรความมิได่ว่าจะมีความสุขเพราะความโลภความโลกมันเคยทําความสุขให้คนได้ที่ไหน ความโกรธโหมโโตก็เคยทําให้พระคนมีความสุขเลยที่ไหนเวลาค้าปัญหาเวลามันเกิดขึ้นมามันดิ้นตาเยเหมือนหมาถึงเก้าเดสินัน่มันหาความสุขเลยที่ไหนมันเหมือนกันค์ผ่าพอโลกนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นเนี่ยยิ่งจิ่มีความสงบลงไปโดยลาดับบมันก็ไม่ดิ้นเรื่องอห่านี้มันดิ่งไม่ดิ้ว่าดมันขาดจากหัวใจเลยไปเลยไม่มีสิ่งนี้มากวนใจแล้วอะไรจะมาดิ้นออะไรจะมากวนใจไม่มีอะไรกวนใจนั่นแหละพนธ์อิสระ ทามันก็เห็นได้ชัดเลยที่นี่ภัยตัวสาคัญทุกโลกอันหนึ่งน่ตัวก่อตัวควนตัวเหยียบย่ำทํางานให้เกิดความเดือดร้อนเป็นปืนเป็นไฟหลงอันหนึง่งความโกรธอันหนึง่งราคะตันหาหนึ่งันก็ตัวใหญ่เหนียวไฟทั้งกองทั้งกองเหมือนผูกเขาไฟเผาหัวใจอยูย่ตลอดเวลาเราไม่เห็นตัวทั้งมันนี่ได้เห็นแลนะ้วหนักมันชัดเจนเต็มทิ่ใจทีนี้เมื่อได้อ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกรกระจาย ในคำพีที่เลชศาสนาสภาวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างสมความมากๆต่างหากมองมันนั้นก็มองที่ใมันทํำไมมันจะไม่รู้มันติดได้เหรอเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดท่อนานวิทยาการที่มันแสดงออกอะไรๆนี่เป็นที่เลดชทางแสดงัแต่แตคุณนั้นหาได้รู้ไหมนี่เราจงึง พยายามเรียนปลมมายาของกิเลสที่มีแสดงอยู่ในตัวของเราแต่เพราะ อ, อย่างนี้ในใจของเราเลียนนั้มันเห็นชัดเจนในพิถีพิธันกับการตะคองใจดูสังเกต ด, ดูใจย่าเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่องอจะเป็นเรื่องความโลภ ก, ก็ดีความโรกรธก็ดีความหลงก็ดีดราคะตันหาก็ดีให้พึงทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจมันู้ปรุงใจมนพู้แส่งใจมนพู้หิวโหยให้ดูตัวนั้นมันหิวโหยกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาขี้ผาออกสู่มันต้องการอะไรเอานั้นมาขี้ผาเพื่อให้มันเห็นแล้มันหายสงสัย เรูปเป็นต้นผู้ทายก็หมายถึงรูปหญิงเป็นค่าศึกกันอ้าวเมื่อพี่ชายดูมันเห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูมันชัดเจนมันก็มีแต่แตสจะฝึกทงเมืองเป็นลำดํบดาบไปก็่มีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเฮอแล้วจากนั้นก็มีแต่ของวัะถุคุณโครกทายในภายนอกเยิมไปหมดเป็นไปของวัตถุคุณมันสวยที่ตรงไหนอันนั้นก็เอาพังทลายลงไปตายแล้ว มันฟุม้มันคองมันเน่ามันเหม็นแต่กระจายกระจายกระจายกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟฮะใจมันเห็นได้อย่างชัดเจนความและคำน้ า, มามหมายนั้นมันมันค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเดินขึ้นเดินขึ้นจริงในเรื่องปฏิทุภะปฏิทังปฏิปุณโสโครกป่าชาพิดิบแล้วก็จริงก็ถึงธาตเรื่องธาตุต่างๆพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นเป็นความจริงอะไละเอียดนะแล้วจิตจิตอะไรจะวุ่นอะไรจะมาควุกจิตมีแล่การแก้แล่ของให้แก่อย่างนี้ถ้สติปัญญาเอาให้ดี อยากดเฉยเฉยหาอุบายคิดลิปกลางเส็มกลางเขาเองอยากให้รู้ให้ถึงเหลือเกินเต็มหัวใจผมไปเพราะทำมาเหมือนกับดูแค่เอึมมีนาอยู่ก็หัวใจเจ้าของนี่ในความดุกความพ้นจากสิ่งเหนี้ก็อยู่ที่นี่ไอ้ที่เล็ตัวเป็นภัยขยี้ขายข า, ยขายหัวใจตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจมีแต่แทงมันไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาที่จะหยั่งลงไปแทงทะลุที่เล็ด แทงสันหลังกิเลสมันขาดกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดกระจายไปจัดใจนี่มันก็ไม่พ้นกับสติปัญญาไปได้ก็อยู่ที่เรานี้ทําไมจริงแทงไม่ทะลุสีแทงกิเลสไม่ถือทีกิเลสแทงเราทำนั้นปั๊บเลยปั๊บนั้นเลยไมนมีผิดมีภาพก็คือกิเลสแทงหัวใจเราแล้วเราจะแทงกิเลสนี่กี่ร้กี่พันครั้งมันไม่เรื่อเดินลาอ่อน แทงเงามันเสียมันแทงตัวสริงมันหลอกว่นู้นอย่างนั้นรดอนอย่างเงียบไปมังเสียตัวที่มันอยู่ที่นี่กิเลสมันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกขนุนแเราก็นิ่งกางเงามันเสียอ่าไม่ได้เรื่องมาย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบกับสงบลงที่นี่กิเลสสงบสงบลงที่นี่ถ้าน์ปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบกิเลสให้สงบรับตลอดถึงงาบลงไปไม่มีเหลือเลยอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จัง ทราบอย่นี้ให้ทั น, นายาดีได้รู้ๆๆๆว่ามีทราบวัตถิเป็นอย่างไรคอรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณาแล้วก็ทราบได้ครับดุดของความรู้กับขันอยู่ด้วยกันก็ ยังพอสราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันเป็นขันถึงจายังไม่ชัดก็พอสราบได้ความสงเย็นใจความป่อไใสความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไ ป, าไปตามความเปลี่ยนที่ทํน่าได้มากน้อยที่เปลี่ยนแปลงมาก เห็นได้ชัดๆก็เปลี่ยนแปลงตอนใช้ปัญญาพิเจอมาลิเลียก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาถ้าไหลก็ยื่นถึงความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไป เพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติบมังดงอยู่เสมอค่อยเปลี่ยนเรื่อยไสู่ความละเอียด้าไปเป็นน้ำหนักส้ำดาเพราะเรานี่เป็นสมมุติทั้งนั้นจนกระทั่งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตแทรกซึมกับจิตแม้ส่วนละเอียดสุดแค่หนันชาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลง ไม่ได้คงเส้นคงมาความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมตุติตามขั้นของสมมติที่มีอยู่ในภาริติทางดินมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเก็อ ย, ยู่ความละเอียดอดีก็เป็นสมมุติเชื่อเป็นสมมติบาปเป็นสมมติบุญเป็นสมมติเมืออเข้าถึงขัน้นใหญ่แล้ มันก็เข้าใจพะเลยจากนั้นแล้วท่านจึงกล่าวว่าบุญน่าปลาปะไปน่ามุกขลทุนบุญและบาปมันล่าเสียแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วม่วายาและเหยียดได้ละโดยชิ้นเชแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยขึ้นพอว่าสมมติแล้วด้วยความรู้ตามหลักธรรมชาติล้นล้วน นัในการแปลว่าสจิตะประโยชน์ดปนังทำผิดทั้งตนให้ผแงแพร่ของแพม่นก็เกินคู่เพียงกับความผงใสล้าจึงไม่สนิทใจนะัถ้าได้เพิ่มความให้ผ่งแพร่จนถึงความบริสุทธิ์แล้วเราแน่ใจนางในทําท่านกล่าวไล้ ว, ว่าดูปกนรูปจิตทั้งหลาย ทิ่เดิมแท้เป็นพระพุทธสอนคือผองใสแต่เพราะาอาศัยกิเลสที่จอนมาแล้วอาคันกกตุกขกาหมายถึงความจอนหมางที่อยตรงตามจิตใจสร้างหนองขุ่นหวาคข้าว่าจิตเดิมแท้ที่อของพระพุทธเจ้าในคํานี้นั้นหมายถึงจิตเดิมของวัจจะท่ามาจ ะ, จะอบอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธ เพราะอะเพราะจิตเดิมของใครก็ตายมันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝังรากลงอย่างลึกอยู่ภายใ น, ในใจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิ ต, ตคนจิตสัตว์ท่านจึงกลัดว่าลุ่ก่อนที่รู้หลายจิตเดิมแท้ทองใสเง็นว่างประพัดสอนอยูอย่ความทองใสแต่เพรา ะ, ระสาย พิเลที่จรมาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์อันนั้นเข้ามาหาตัวเรียกว่าจรมาท่านพูดสำคัญสมมติเป็นขั้นๆไปนีน่เวลาทำละจนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นคำว่าประพสสอนก็หมดตำหนาไปคำว่าประพสสอนเราพุยเจ้าสุงจ่าแล้วในทม ในคัมภีร์ธรรมบทนี่ผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงสีพระพสอนก็ถึงถึงถึงขั้นสีธรรวิชา น, านั่นเองมีแต่ความพราสอนความสง่าผ่าเผยของวิชาเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอบวิเลษประเภทหลบวงอันละเอียดแหลมคมที่อีกก็ไม่มีอะไรเกินธรวิชาถึงขั้นนั้นถึงผ่องใส เมื่อผ่องใสเป็นพระสอนกนะ็ทำพระสอนก็หลงอยู่นั้นอันนี้มันมาประดับหน้าร้านนก่กว่าเป็นของดดของดีแต่ก่ อ, น, กอนนี้มันสลายลงไปแล้วนี่จะเป็นจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็ควรแก่การไม่เกิ ด, ดอีกพระสอน ควรแตการเกิดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอนะเพราะคาพรัชสอนคาว่าพรัชสอนนั้นนหะคือตัวตัวตัวเชื้อที่พาให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันกม็มีจุดมีหมายพายในจิตใจเราปฏิบัติมาโดยลําดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนนะเป็นลําดับมา จิตมีเป็นสมาธิแนบแน่นเท่าไรก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวันไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายแต่แสไม่หิ้วโหวยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัยอาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่หิ้วโหวยให้นําจิตที่มีความอิ่มตัว ในทางสมาธินี้ออกไปคิดโ้นทางด้านปัญญามันจะทํางานให้ในเต็มไม่เต็มหน่อยไม่เหมือนจิต ท, ที่กําลังนี้โหยวุ่นวายโดยพิจาราปัญญามันการเด็นปัญญาลงไปหมดนอกจากเวลาจนกรอบสมมุมที่เราจะนํามาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไวไ้ในที่อย่างที่กล่าวไว้ว่าปัญญาลมสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันจะมีแต่ความยุ่งความเหวียงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าแล้ววะนัะ่อะนอะรนั่นมันเป็นการพิเศษขึ้นมา มันจะไปไหนจิตนี่วาตามค้นขุดค้นเขาก็จ ะ, จะไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมาฐานไปแล้วเลยตามคุ้ยเขียขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีตะล่อมเข้ามาเข้ามาสงบแน่ลงไปด้วยอํนนานาจของปัญญาสงบได้อย่างอาฐานทีเดียวทีปัญญาพาให้จิตสงบนี่อาดฐานมาก อถอนขึ้นมาก็มีความสง่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีหนึ่งบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงในภาคปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุราทก็าตามมันมีได้ในบางรายดังที่เราที่เขียนนี่เราเป็นแล้วนี่เรานำความเป็นของเรามาเขียนไม่ใช่เราไปอุทลิข์อะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงไม่ร จิตมันไม่หยุดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงมันขนาดนั้น น, นั่นนะปั๊บนู้นปั๊บนี่พิจารงาอะไรจะ ก, กําหนดอะไรมันไม่อยู่ไมยอมรับมันปั๊บนูน้นปั๊บนี่เป็นยังไงวะใส่กันเท่านั้นเองเอามันจะไปไหนวะจีตนี่มันจะรวดเร็วขนาดไหนวันนี้จะตามกันให้รู้นี่ขุดค้นลงไปทางด้านตัญญาไตยจะล่องเข้ามาเตยจะล่องเข้าม า, อมาโอก็เหมือนตะลุมบอล น, นั่นแหละแม้กมาทั่งมันหมอบ เหมาะด้วยปัญญานี้เหมาะจริงจริงจิตลงสู่ความสงบก็ลงอย่างอาหารทานไทยถอนขึ้นมาก็อาหารสนาผ่าเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณีหนึ่งต่างหากส่วกรณีทั่วไปดังที่ว่าถนัดสมาธิอุบรมปัญญาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทําหน้าที่ มันหิวหวยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะวิ่งเต้นเป็นกระโดดแต่กายจะเฉยญาอารมณ์ให้ทำงานเราทำจนน็กจนหน่อยต่างหน้าต่างตาทำให้นี่แหละสมาธินี่เป็นฐานอันหนึ่นงเนที่เวลาล้วพิจารณาทางห น, น้าต่างยามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี่หายหมด โดยที่แตว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะอเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับระทางปัญญาทั้งหมดมันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่จำเพาะตัวเป็นแค่เป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี้แลไปเป็นปัญญาเหมืนอนทางด้านปัญญาที่าฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั้นมันเลยหายหมดไปไหนเวลาคนถามแล้วพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะ อเก้งาทอน่ะหอยไม่ได้รู้อะไรเลยว่างวมาธิก็เลี้วแหลกไปหมดเลยแหละระวังนั่นบางทีว่าความจริงมันไม่ได้เลวนี่หพูดไปนั้นแหละเลี้ยวอะไรมันทุ่มไปหาปัญญาหมดเลยอย่าที่มันกายไปทางปัญญาสมบูรณ์แล้วมันไม่ยอมจะมันอยู่เมื่พักมาใสเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักหยุดนี้ที่ต้องไห้หากห้ามลิะล้างกันอย่างเต็มเหนียวมันบังคับให้เข้ามาดู ในความสงมันก็เข้าแต่แต่มันฝืนเข้ามานะอืลเราไม่ได้มันก็จําใจเข้ามาพฤติปัญญาขั้นนี้มันมันคับได้มันไม่มีอะไรนี่จิตกับอาการของจิตคือฤติปัญญาเท่า น, นั้นนะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพออะไรจะมาถุดมาลากจิตไปให้เป็นเทะเลกะวาเทเรืงอืนเสียงนี้ไม่หนึ่นงมัเป็นแค่บังคับก็ว่าบับางคับบังคั บ, บออกมาจากงานต่างหา งานที่มันทําเรื่องบันดานะห้เข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวนี่แล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออกอย่างนี้สร้างอาุบุโตอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุโทโธถี่ยิบเลยไม่งั้นไม่ได้ออกไปทํา ง, งานไม่ใช่จะออกไปเพื่อเพลินนเพื่เพลิมันไม่ได้สนใจกับอะไรทั้งโลกธาตุนมันไม่เคยสนใจกับใครเลยในข่านระยะนั้นจิตท่านนั้นภูมินั้นมันมีแต่ความเพลินในการพิจารณาที่เรียกว่าอุทัจจะ คือเพลินต่อการทำ ง, งานนั่นตัวเกินไปท่านก็นเรียกว่าเป็นอย่างยอดอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าพอดีหรือควรจะพักผ่อให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบ่าตเป็นฐานเพื่อเป็นกําลังของทางปัญญาเขาไม่พากเสียเวลามัจะตายแล้วก็ต้องมาพักจนได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียงเองเนี่ยคนจะตามจะไปจับจอบจับเสียงผุดอย่างไงนี่มันจะตายเพราะการพิจารณาอืเมื่อหิวอ่อนเพลียจึงจะตายแล้ว มันก็ต้องถอยก็มาถึงได้แล้วทางนั่งนับในโฟมสมาธินแนวนั่นบังคับให้เห็นออกเกี่ยวับางเห็นว่ามีความสบายเบ่าไว้หมดที่นี่นะมันปล่อยงานเบ่าไปหมดสบายพอได้กําลังรู้เลยในตัวแล้วกำลังก็ปล่อยพอปล่อยพักับถึงเลยที่นี่หมุนเตี้ยวกำลั ง, งเลยอคันนี้ในคันนี้ฐานสมาธิไม่มี นั่นแหมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีมีจนแน่นหนามั่นคงเพราะเราสังส ม, ม้เราอยู่กับสมาธิเราบําเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาดึกจังมีแตความสงบมีแต่ความสมงบ ม, ม, บนมบนันก็มีอะที่ปัญญาไม่ใช่พอทางด้านปัญญาแเราถึงขนาดมันหมุนเต้่ยวไาเรื่อยฐานสมนี้เลยหายหมดอืม <c oughs> <c oughs> ทีนี้ อ, นอันหนึ่งที่มันเป็นความปองใส ม, มันไม่ใช่ฐานสมาธิมันเป็นอะไรอีกหนึ่งเป็น<ะ>ปัญญาที่ทําละได้แล้วยิ่งมีความป่องความใสถึงเวลามันว่างนันก็ว่างด้อย่างชัดเจงเรานี่พูดพูดได้อย่างเต็มป่าเลยในเรื่องความว่างของจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลาย ตาเห็นไปเหมือนกับพอเป็นเงาเงาเนี่ยจะมองดูภูเขาทั้งลูกมองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันก็เป็นเงาเงาแต่จิตอันส่วนใหญ่ของจิตมันว่างหมดมันไม่เหมือนเหมือนไม่มีก้อนหินมีแต่เงาเฉยเดินไปบนแผ่นดินนก็มันเป็นเป็นเงเงามันทะลุไปหมดนั่นเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนละร่างกาย ขัางมันใสสว่างนมันก็มันแทงทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกันนั่นแหะเจ้าครอบกรเกี่ยงยประยุทนั่นเองมันเป็นเองของมันมีเราว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนิทใจแต่ว่างว่างตามฐานของจิตมันสนิทใจนสมาธิมันก็ว่างว่างเฉพาะ มาท you know, ี่นั้นถ้ากำเนิดไปข้างนอกก็ไม่ว่างทอยติดมันว่างตามฐานมันจริงแล้วไปไหนดูไปไหนมันก็ว่างเสมอแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันจะเสร็จจะสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่างมองไปไหนก็เห็นแล้วว่างนั่นว่างนี่ว่าแต่ตัวเองไม่ว่างนั่นแบบภาละอยู่นั่ง แต่ความีชาตันหาเต็มตัวอยู่นะคาว่าตันหามันหมาทถึงตันหาแบบใหญ่ๆหยความความอยากหม้ยถึงอันนี้ความรักความชอบใจความติดความสนิทสนมกับความปใช้ความสุ่ม น, นั่นก็ต้องเรีย่าพิจารณ์คือเมนันมันจะจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่ม้ก็ว่าง ว่างของสมาธิหนึ่งว่างตามฐานของจิตหนึ่งว่างเป็นไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานของจิตเองก็ว่างนีน่หมดปัญหาไม่ติดพิจารณาอะไรไปอีกมันก็รู้เองทำว่าสันพิิกโก้ก็ไม่เห็นนีปัญหาอะไรเลยรู้เองเห็นเอง ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็ไ ม, ม่สงสัยมีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทํางานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทําต่อไปแล้วจะทําอะไรทํากับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพอที่ให้ศึกษาเราเรื่องมันไปตัวจิตนี้ก็แต่ว่าจิตเท่านั้นเอืงจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตเป็นุคนเป็นเราเป็นเขามันก็มาีเหสียงหมด ความสมุดติดแตงสมุดอยู่ที่ตรงไหนก็ไมมีเสียมันจะทำอะไรอีกอะนะความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นจนเราสานมันยากมาโดยลำดับธัรมายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานยากมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วย การฝึกฝนภาวนาร่างกายเจ็บปวดหลับปวดนอนผ่อนอาหารปดอาหารนั่งนิ่ก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนานานนก็เป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องฝึกหาทางด้านสมาธิก็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลําบากทางด้านจิตอีกยิ่ง่างจิตเป็นรละเอียดเท่าไรก็ยิ่งมีความลําบากในงานของจิตแต่เรนก็ไม่ได้สนใจความลําบากนั้นให้นอกเหนือไป งานที่กําลังทําเพื่อความรู้แจ้งขอยงจริงในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องครับแม้ถึงไม่ถึงว่าลําบากลำบา ก, บกหรือกาไปสุด ก, กําลังความสมามารถของตัวเดียวมันมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรที่หูเตื่นเตือนอนันก็หมดปัญหาไปเองมันเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งนั้นเนี่ย ควาเตียมจะหมุนตัวเป็นเกลียวเยอะจะปิดแนดาบมันก็หมดปัญหาไปเก็ไม่ใช่เจ้ามาแก้อะไรตัณดาก็เพื่อจะพี่คาตัดฟันทันแหลกกับขี่เล็กขี่เล็กประเทศไหนมันมีอยู่ในจิตนะมีไหมแน่ใจว่ามันไ้วจะตเป็นฟันอะไรฟันลมฟันแรงได้มันมีสิ้นสุดได้งานของ ทางทำงานโลกจึงหาขี้ผึงสุดไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมามีงานนั้น ง, งานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันทั้งเร็จเสร็จทิ้นอะไรไปได้เลยไปตายไปกตายไ ป, ยยไปเพราะความห่วงความใยกับการกลับงานกับงานมี้เพื่อนฝูงยุ่งไปหมดไม่มีจิต ด, ดวงใจที่จะไปด้วยสุขโตฐานห่องหรืออนานาลายูหมดความอะไรไม่ได้จิตตายไปด้วยความ มวนห ม, มองวุ่นวายครัวพันกับถุงเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้นั้นเ้วจะหาความสุขมาจากไหนตาแล้วก็แบกภาระมันหนักไปด้วยความห่วงใยงานที่ทําก็ไม่สําเร็จตายแล้วก็รีมาทําแทนสืบต่อกันไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทํำสำเร็จงานงานนี้สำเร็จงานนั้นมางานนี้สำเร็จงานนั้นมาเขาก็ยังทํากันวเวลาจะไปอาถารเหนือ อาสาจะได้ชนะงานอย่างนี้ใน ง, งานนี้ทางดังทางโลกนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้เหรือเราเชื่อแน่ในความคิดของเราความรู้สึกขอเราได้หรือเขาไม่ไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนทางพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอา ง, งานนี้ให้มันถึงขัง้นวุติธรมธรรมจิตอย่างมันเสร็จจริงๆไม่มีมเจติตัวไหนจะมาดินมาดิดฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมาทําลายเรามาต่อสู้กับเราอีกถ้าลงมันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้ว ร้อเปเ็นนั้นหมดเท่านั้นตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือตนี้ก็นึกว่าเราเลยฆ่ามันทิพหายตายไปหมดชำร่างหมดไปแล้วมันมามีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีฮะเ น, นี่ว่ามันตายหรือว่ามันหมดหมดจริงๆก็ไม่มีนะนาทานาพินิจแต่กัรสบายสบายที่เกี่ยวกับเรื่อง<ม>ความปวนใจความยุ่งเหยิงวุ่นวาย กิเลตันหาเข้าแค่ต่างๆมเผลาร้หัวใจเหมือนกับภูเขาไฟหมดภูเขาไฟถูกน้ำอาบน้ำทำชาละล่างแค่จนไม่ีเหลือดับหมดไฟราคไฟตันหาราคะกินาโทสักินาโมหกินาดับหมดด้วยน้ำคือมัชฌิมาปฏิปทาเย็นไปหมดเลยีเหมือนน้ำทลยสาดลงไปที่กองไฟใหญ่ จิตเผาร้อนจิตใจนั่นให้หนับมอดตี้เหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นช้ำตลอดอนันตการด้วยไม่มีอาการที่โครธหรืออไรอาการที่กัจิตอาการที่กัธรรมนเดียวกันนะถ้ลงไปถึงนั้นแล้วทํากับจิตเป็นอันเดียวกันเนี่ยจะว่าจิตก็ได้ว่าทําก็ได้ท่านไม่ขดัดไม่ข้องไม่แย้งใครทั้งนั้นหนักขอให้คิดเลยตัวมันแย้งจริงๆมันดับไปเถอง ไม่มีอะไรจะแย่งไม่มีอะไรจะข้านกันไดเจะจของหาที่ข้านจะของหาไม่ได้เพราะพิเดตัวข้า น, นไม่มีพิเอตัวข้านทำมีน้อยข้านน้อยมีมากข้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมดแล้วไม่มีอะไรมาขัดมาข้านมาขัดมาแย้งสบายเนี่ยสินเส้นสิ้นสิ้นเสร็จได้งานของข้าเราเอาให้จินให้จริง ดูที่หัวใจแค่ามองนี้ไปอื่นสติปัฏฐานสี่เอาให้กินให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเว่าพิจารณาสติปัฏฐานใดเอาให้แน่ให้จังให้จริงแต่รูปความคำนั้นคานี้ไม่จินไม่จังการคนจับจดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังมไม่เรียกว่ามูลปลาปลาอะารเสียทวามูนี่ก็ไม่ใช่สงสัยหัวปลาเนี่ก็ไม่ใช่ ไม่แน่ใจสงสัยหูป๊อปขาขวาไปจริงนนเลยคุยจากนี้ก็ตะเกียบตะการทำงานต้นสาหาต้นผักลายน้ำปูนอันนี้ผมมีตอ น, นทาัาตัวแจ้งทาะตลอ เป็นัาษาเท่าไรท่านตันทารุ่นเป็นัญษาที่ทหกนะท่านจัน ท, น ท, นนทรททท์ไม่ใช่เป็นาษาที่เท่าไรเราะว่ารุ่นการเ่อง้ที่สองจะสว่างเป็นสาเคื่องที่จะไม่ใช่เป็นสำคัญท่เนอเยู่ที่เข้าใหญ่คือท่านสวิตา งาน่าเอาจริงาจงผ่านได้าผ่านได้จริงใหม่ผมลืมต้นไม้ที่มนไปอยู่ไหมครับต้นต้นอะไรต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวต้นไม้ต้นเดียวเดี่ยวกลางวันก็เป็นกรมขึ้นต้นกม้ร่มเย็นดีอัวางกางวันก็เป็นกรมนะที่อยู่ทัจริงท่าเอาอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่อืต้องต้องพระาตุที่ผั มันก็ถอนน้ำแล้วานไมเติมไม้ น, นเดียวไม่เกี่ยวโยงกับต้นใดเลยนี่นะมนนนกกันเกิดเป็นโยงที่นั้นใช่าหมทำันพรมก็ไม่ชอ่ท่พรงไหนหักเป็นแจ่มใหม่ฉันตังขาไปแจมห่ันจำเหรนีันปูแหรงนี่ก่อน เร่หม่นันอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เขา้าโตกันมันนั้นเราเป็นที่แน่ใจแล้วร้อยเป น, นแล้วถ้าไม่มีอะไรต้างแล้วเพราะออกมาจากการโตตอบปัญหากันแล้วเราก็ยกนิ้วให้ท่นเลยเออสมล้ำหรึ่กว่าเพชน้าหนึ่งแเป็นเป็นน้ำหนึ่งแท้ว ปัญหาปั๊บเข้าไปเลยมันตอบทาง ม, มาพอทาง ม, มาก็ปั๊บเข้าอีกครั้งที่สองนี่เป็น35นาทีขรั้งแรกเป็น10นาทีรวมแล้ว 4, ลเป็น45นาทีาก็เป็นที่หมดหมดปัญหาปัญหาที่เราถามเป็นปห า, าดูเรื่องอภินิหาไรก็ไม่เจอก็เอาพูดง่ายๆว่ามัดเด็ดใส่กันเลยฮปัญหามาัดเด็ดพูดง่าย ถ้าท่านไม่รู้นะท่านจะตอบได้อย่างไรปัญหานี้น่ะนั่นเพราะเราเอาตังตังแ น, นี้เลยเราพูดอย่างนี้เราพูดในวงเราเราพูดตามความเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี่ยิ่งกว่าอับก็ทําผมเคารพท่านเรเคารพแต่ผมอยากจะทราบความจริงอย่างท่านผมก็ต้องถามป้าพอไปท่านก็ตอบถามออกมาทันทีแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านพันนานแล้ครับถาม มันตอบภาพออกมาทันทีสินาทีอยู่ภาพอีกปัญหานี้เข้าอยีกภาพอี่ท่านก็ดิ้นตอบใหญ่เลยทีนี้จะถงัถงถังเลยพอจบนะอา้อามันผิดที่ตรงไหนสน า, ารนะ์คาน่ะวก็ผมไม่ค้านก็ผมหาจะทําอย่างนี้เองคงไมีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้อย่างเพื่อไปถามเราเป็นปัญหา ป, ป่าเราไปถาม ดูท่านโอ้ยอาการของท่านก็ปี้กระเป่าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นขึงขังตึงตึงเสียงล่อนหมดเอออย่างนั้นนะพลังของจิตท่านเนปะ็นไหมมีผู้ไปนั่นนะผมบอกเลยว่าไม่มีใครมาถามเรื่องนี้อีกพูดง่ายๆผู้ใหญ่ให้ท้าตรวจสอว่ามีใครมาถามานีพพมมาามม่พอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอัดเต็มคําล้วทีเถอะ อ, อันนี้จะคนหูหวกตาบอดพูดมาฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจบไม้คำว่างนั้นมนะังท่าน ก็ใส่ผางผางมาพลังของธรรมโอ้โหพุ่งพุ่งร่าจริงเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมคือใครเพิ่งมาไปดุกดมทำไม่มีนนอํนนานาจมันตากิเลสได้เหรอพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอ้โหเผ็ดร้อน<ม>เสียงกังวานเสียงแผลดไปหมดเลยพรลอําน้าของธรรมโดยอาศัยเสียงนี่เป็นเครื่องมือแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรม ออกมากหรือมีกําลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งยีราการก็ยิ่งแสดงให้เต็มที่พลังของธรรมไม่งั้นาปาดวิเดียได้เลยทําไม่มีกําลังเราเชื่ออย่างนั้นแล้วไม่เชื่ออะไรก็มันเป็นหนหัวใจออย่างคนเราเราดีเราดีเร า, เราไม่สนใจเราใคร อ, อะไรมันดูที่ไห น, นเวลาอะไรมาอยู่นอกาธรรมแล้ว จะคิดมันหยุดใช่กับผู้ใดเคยกดไปแค่ไหนผู้ใดเราไม่เคยปรากฏไม่มีอะไรมาปรากฏจะให้ว่าดุคนได้ไงเพราะว่าดูด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกิเลรที่เปนพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏถึงครั้งตึงตังตามพลังของธรรมหนักบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสัยผู้วาจารย์องไหนที่มีความอวดกล้าหาญโดยแล้วนั้น่ะยิ่งจะออกยัง เผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคนเคยปวดเคยแช้นกันมาทั้งกลับทั้งกันนะใส่ผางผางผางเลยพลังของทำพุ่งพุ่งพุ่งพอพูดถึงแล้วท่านต้องตอบปัญหาท่านเสร็จแล้วว่าท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนะั้น ไม่เพียงแต่เราจะไแย่ท่า น, ท, านท่านท่านต้องแย่เราด้วยเหมือนกันแย่ในทางความรู้สึนท่านเราจะเห็นได้ตอนที่ท่านถามเรองค์นั้นอะเคยพูดไปแล้ว อ, อย่างองค์นั้นอะเคยพูดไปแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหล ะ, น ะ, เ, นะนเนื้อสมรำสมนิยเราก็พยายามแล้วนีที่จะ จะคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะพมันไม่มีเวลาถ้าที่แล้วนยังต้องตัดสินใจเอาให้ได้ครานเคลื่อนไปนไม่ไดน้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อาํานวยเท่านั้นเต็นเมต น, น่เต็มเลยแล้วออกมาก็สบายเลยท่านจันทันนี้ไม่มีเวลาครับผมจะคุยทํามะกับท่านโดยเฉพาะทีไม่มีเวลามีาาแต่พระแต่หนึ่ อย่างน้อก็สามสี่ห้าองค์ั้นเช่ไผมพยายามตั้งแต่ไปเยอเขาสุดท่านแต่งลมมาท่านท่้นอยู่ที่วัดท่านเองผมทำนั้นตั้งสองคืนอเอานะไป่บน่ไปเลยไปผมไปดูอาการของท่านจนเป็นโรคหัวจใจคืหมอเขาห้ามไม่นเยี่ยมเลยผมก็ไปทานั้งสองคืน พาดหาท่านตนไหนก็มีผ้ะนึงนั่นเสียไม่มีแกลเข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยเขาแสกพระนึงเนียเวลาเราไปจพดถ้อยคำในเวลาเหมาะสมมันไม่มีเวลาเหมาะสมจนมาอยู่อุ่นๆจนพอน่นกลางวันก็จแน่เลยไม่คุยกันคุยกันอย่างเต็มปากกับหลวงพ่อบัวกับ ท่านท่านหลวงปู่ขาวเอากป็นอย่างเต้นเหนีย ว, วท่านอาจารย์บีก็ไม่ได้คุยอะไร ม, มากแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านท่านตอบได้ดีเราก็ไปตีแน่ใจอาจารบีเราก็แน่ใจเพราะท่านเหงาเนี่ยคนก็ไปเราลรามาก เวลาเพูดคำนัท่านก็จยินเวลาท่านพูดทหเเวลาท่านพูดให้เราฟังพูดเารายินเวลาเราพูดท่ัท่านไม่ท่านจะขนวิสยน้อยๆชมก็แสนปัญหาเล็กน้อยถามท่านท่านก็เขียนตอบมายินใหเราเราอ่านดูถามอีกท่านก็ตอบอีกอันนี้ก็เราก็เน่ใจ แต่อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักสมมติที่คันว่าเราเป็นอาจารย์ท่านโอ้สบายใจนะารัที่น่าจะท่านไปพาตัดตำลุมาคุณทุกท่านก็มาส่งนั่นเ้องทุกท่าจากนู้นแล้วก็จะมาหาเราเออฝากความคิดถึงไปถึงท่านหาบัวนะ ท่านมหาบวัวเป็นอาจารย์หัวธมาทานนี้ก็มาพูดเอาตามนั้นเลยหูทำไ ม, มพูดงี้อ่ะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยอิท่า น, นมหาบวัวเป็นอาจารย์หัวธรรมมาเรื่องกัเนอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับหรือที่ท่านดูหนังสือเราแว่นดวงใจท่านบอกว่าแ่นงใจนี่โ้ยสมชื่อสมนามแท่นนักรรมานะ ผมปฏิบัติในคันนี้ผมจริงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดด้านน้ำใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยปีท่างมาจำภาษ า, ายี่ปุ่นสงน่ะนะด้านน้ใจไม่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยเวลามันเกิดกระทบเราผมจะต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพร ะ, ะเพราะการท่านสอนพระมันเผ็ดร้อนทุกข์กันะลงถึงความยิ้มความยิ้ทุกข์กัน กาเริ่มพูดถึงเรื่องการแจงกันหเท่าที่ผมอ่านมานี้ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรากรรมฐานอื่นไม่มีท่านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันห้าได้ละเอียดออยิ่งกว่าท่านหาทางภาคปฏิบัติทันรางคือแจงกันห้าทางภาคปฏิบัติผมถือเป็นแง่นองใจหังงวใจผมที่ท่านบรรณกรรมฐ า, านส า, า, า, าวทำเราท่านเคยบรรณกรรมานสาวเราผมคนห้าม จะเบาก็ยอมนั่นแะเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วก่ารกินก็เป็นอย่างนั้นจีิงๆแล้วการทำอกทั้งใจนะเอาให้กินให้จงมาก็อยู่นี่ก็ะมาณสี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติจึงไม่รับมากทั้งๆที่งสงสารบรรดาพราทั้งหลายต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยทั้งนั้น แต่เราคิดถึงโทษถึงการอยู่มากไม่ใช่เป็นของดีพูดที่อยู่แล้วก็จะเป็นกหาความสุขไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เป็นเม็ดเต็มหน่อยเพราะมันที่มันก็ครับแค่หน้าอํานยเวลานี้องค์ไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่าคุติไม่ว่าทางยังกรมที่ประปกปการพาะเพียนมันเหมาะสมฉนั้นก็อยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้ามีหลายองค์เข้ามาก็ต้อง ทางยังกลมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปเลยตั้งแต่ภาะแต่นี่เหมือนกับมีงานหอหัวล้าหัวล้าเออผลประโยชน์มีได้เท่าที่ควรเราต้องสามัรระวังอนี้การปกครองมีความสำคัญอีกเพื่อดูแล้ทั่วถึงหาาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วทำให้กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งวัดเพราะกรรมฐานเป็นความละเอียดมากกว่าปกติ ของวัดทั้งหลายของพระทั้งหลายพระธรรมท่านก็มีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอริยว่วาดเดียวกันถึงขนาดนั้นจีตมันยังไม่ลงไม่รวมยิ่งเป็นมีความกระทบกระเทือนทะเลาะเบาแวงกันด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของพิเดสนั่นแหละมันถึงไม่ลงกันด้วยแล้วนั่นแหละก่อพืนก่อไฟเผากันทั้งวัดเลยรอนระวังมากจี๋ น, นั่นเป็นของจ ย, บยาบยากที่เรียกห ย, บยาบยากคนควรจะเห็นตัวไปแล้วคารรักษาเอาผู้หญิงตัวอยู่อันนี้ไม่ใช่ทาคนให้มิเศษไม่ใช่ทาเราให้มิเศษไม่ใช่ทาผู้ใดให้มีเศษทางนั้นต่อมาก็จะมาฆ่าสิ่ ง, งนี้จึงให้เห็นสิ่งเนี้เราเป็นภัยอย่างะสาคัญมากฮะก็แดงออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเสียในว่างนั้นเลยกรรม แพ้ใครก็แพ้เถอะขอจะให้แพ้ที่งเด็กตัวเองเป็นถองต้องการมากชนะใครก็ตามไม่เห็นดีดีกรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้วพิเศษเนี่ยเอาตรงนี้นไปเสียดายอะไรยิ่เด็ดมันทําให้เสียดาเยเสียดายป่อยลงไปตามความกินนันหมดดีก็ออกมาจาก ปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหูเราครับดับในความดับในความมันก็ทานั้นนี่อะไรต้องเททุ่งเนี่ครูอาจารย์แต่นี่หมายเงว่าพูดเททตามความรู้มีเห็นจริงนะไม่ได้หมายเงว่าเทศสูงสี่สูงห้ายิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายเึืการเทเดีวกความรู้จริงเห็นจริงของผู้ปฏิบัติอดลม ด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทเส้นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งจิตก็สงบได้ง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในท่านสงบแม้แต่ยังมาสงบคนยังสงบนขนาดพิเทศษเพราะความรู้นสึบต่อกับเสียงกระแสร่างธรรมเข้าไปสัมผัสยับยั บ, ยบมีม่โอกาสที่จิตนี้แ่เองตาเดินตามโผล่ทีนี้ส า, า, ายภาพขึ้อยู่สมัย แม้แต่บังครัค้ด้วยจิตตภาวนามันยังคิดได้อย่างสะดวกสบายทั้างในเพราะมันเคยมีอำนาจเหนือสติปัญญาอยู่แล้วโดวยปกติสติปัญญาที่ติของเราที่เคยโอบรมบื้องต้นยังไม่ทันกับมันงั้นพอฟัาท่าปจิบัติอาศัยเสียงตั้งจิตไว้เฉพาะต่ออยู่ภายในเสียงผ่านเข้ามายับยับ เข้าใจความหมายกร้อมกร้อมพร้อ ม, อ ม, อมนิดก็จีนก็ถือต่อกันกับกระแสะเสียงด้วยด้ยนมนีโอกาสที่ข้างน้อยแล้วสงบตัวลงไป น, mm hmm. นี่อันใดผลประจับง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยำลำพังเราจีนมีฐานในะความสงบด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วพอฟังจอดเข้าไปนั้นจิดมันแน่วมันลงเลยบางทีได้ปล่อยก็ท้องเสียง เคื่อนข้าวเต็มที่ของตัวงแล้วอยู่เดินทางไม่มาสนใจรับเสียงเลยเสียงทำเดี๋ยวนั่งตัวทรงตัวได้แล้วโดยลําพั ง, งนขนาะนั้นไม่จําเป็นต้องอาศยัยเสียงก็จะต้องทำเทวดาพยุงดังนั้นเมื่อ <c oughs> เราพูดถึงขั้นะงบพูดถึงขั้นปัญญาเวลาทำเทวดามันขยับตามนะัม้นไม่ได้อยู่กับที่นะคือจิต ม, มันเหมือนจะเหาะจะบิน มันาของตัายานะอยู่โดยลาพังก็ห <fullness> ม <Clintus> ุนต <Bra> ิวติวแล้วยี่งฟังท่านเทศแล้วหมันหมุนตามเร็วเรื่อกว่าปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊๊เหมือนท่านเบิกให้เบิกใหันขยับตามแล้วที่พอไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาครอใจตรงนี้ท่านจะว่าเหมือนกับมันจ่อนะพอท่านเทศไปเรือนท่านพุ่งเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้เพราท่านพ่งนั้นปุ๊บมาโดดถึงตามเลยมีได้เหมือนกับว่า กลาปนหนเหมือนกันเราจึงเชื่อเชื่อจริงๆรั้นการพระพุธทธเจ้าทรงแสดงธรรมบันดาพุทธบริษัทและบรรุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอย่างประจับกับเห็นในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมั น, มนยังพอจับเมื่อมาเป็นสักขีพยานกันได้เกับตัวเอยงณะความพระพุทธเจ้าเขาจะ ถ้าเหลือฉลาดแหล้อคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนื้อการสั่งสองตัดโลกและอุบายต่างๆนั่งเราชื่อเส้นชาตระอุ่นเอกอย่างนั้มาเขาเขสาวกข็รุนแรงถึงต่เารู้จริเห็นจริงมาแล้วสอนไปตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความจริงทั้งหมดจากความรู้จริงเห็นจริงท่านทั้งหลายผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องตึง มันใช่เทพพอเป็นผู้ขี่ตัวเองก็ไม่สั่งต้องทำมาเป็นจำได้หว่ากันสสี่สิฟ้าู้พวกฟังฟนะังอะไรเงี้ยแตนเป็นกนณีสายปัจจัยมันไม่เรื่องเททางขาพราการทประยัดมันผิดกันอย่ามากเมืม่ไหละหนึ่งประยันด น, นี่นำมาเทลประยัดไม่เรื่องเหมือนก็นไม่ได้เรียนนะยนกคาถาแป ร, รไปอยกอย่างนึงด้วยนี่ แต่ไม่ผิดจากภาษีแปลตามความถนักในความรู้สึกตัวเองที่จะปฏิบัติมาขึ้นเป็นคําเหมือนกันอย่างค่อแม่ครูจังก็เหมือนกันอาจารนั่นยกภาสิเป็นครบับแปลปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บท่าหลังมายกทีป่ปั๊บปับป๊บไปทางนี้แปลครูด้วยกันเพราะความถนดัดเหือนุมท่านหลายสังก์หลายกมคลิกอย่นี้ตลอดได้เหนนื้ความสนดัดคลิกแทงเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแม่ทุกเมืองในกระทออูนเดียวกันนั่นคิดกันหนึ่ง ควาสลากควโง่มันผิดกันมากนายจึงกล้าพูดโอ้ยยิ่งกามหาเก้าประโยชน์คิดประโยชน์เลยทั้งวันเลยคาแปลงท่านรวดเร็วที่สุดพยกเป็นปุ๊บแปลปุ๊บเลยมหาประโยชน์คิดประโยชน์เราก็เคยฟังมาแล้วเราไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวก็กลัวจะแปลแต่กลัวจะผิดศัพผิดแสงเอางี้น่ะถอยหน้าถอยหลังนี่แหแปไปดีไม่มีแปลเป็นศับท์แต่แสงยกสุด มีธาตุวิพัตตจาร์วาไปหมดเลยฟังเลยไม่เหลือท่ามันเปอย่างนั้นเอาเนื้อเอามาเลยนี่เมื่อมันเอาหวามันใชกระดูกมันจะาแทว น, นื่อมันโนยนเนื้อเอามาโดนเนื้ อ, อมาคว้าเนื้อเอามาดีิจารณ์เพื่อ ใ, ใ, ให้คนได้เห็น เยวารการมองดูึ้นอะไรขลิกกันคลิกจนทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราเป็นชาว่าจนนักสังเกจก็ถูกขึ้นเหมือนมันเหมือนไม่ชินเลยเนี่ยอยู่กับท่านความที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ชินมันจะพูดที่เล่นที่กมนบางทีท่านพูดนิทานไม่ย่อพูดพอพูดไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานมาแล้วโอ้มันโคกขันเล่นเมื่อไหร่แต่ท่านเปนหัวเรานนะพูดเฉยเรือยเรื่อยเราจะตาย มันแต่ควเปรียบเทียบนี่สอนเราพอโง่นี่แหละวาไปนน่แออ น, แ น, นแต่มืองอกลับมันีเหมือนก็ชปขี้ไปนน่นแต่มืองอมางเนี่ยขี้มาพวกเราเนี่ทำหลาบไปไกลเลยลกกลับมานี้ตาก็แหลมคมตาดิ่งหูก็เรว้รอดเร็วจนเราคิดลำพึงลำบากข้างคิดจรงทำไมนีม่นะใส่เรื่อง จะเย็บผ้าเย็บอะไรตลอดไปแล้วแต่เวลาท่านมองท่านละมัท่นเหเดเย์ยิ่งกว่าตาที่หมูที่หมาเรานีโหโหอย้ยท่านไม่ยินนะอะไรน่าไม่ยินไม่ได้ยินยังไงจิดอยู่กับตัวตลอดเวละมีเวลาไหนที่ิตจะลากจาตัวไปนั่งหลักใยตรงนั้นท่าความรุ่งท่านม่พลากจาก ร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนคิดตรงไหนไหนก็ตามความรู้นเป็นหลักอย่างนี้เลยไ ม, ไม่ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนเราเราจะคิดอะไรไปนูป่นความรู้สึกไปอย่างโนอันนี้ไม่มีเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเกิดคนเคลื่อนที่พูดง่ายเศษผ้าเคลื่อนที่คิดอย่างโนไปน น, น, ปน่นจริงจิคิดไปเรื่องอะไรไปโน้นโน้นจริงความรู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันถือกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นหนังนัง้นเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เนเลย เห็นมาเชื่อใครหลังงี้นะแต่ก่อนก็ลด้ลาพึง น, นิดนิดแล้วทีนั้นทำไมาตาท่านทำไมถึงดีนะ อ, อะไรเห็นแล้วผ<ม>หงก็ได้ยินก่อนแล้วอะไเห็นก่อนเห็นดูผ้าีวรกระบงกของไทยบริษัทอะนรคล้องผ้าดึาดงกระท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รูนะ้นะโน่นบดยเวลาจะบอกข้าตับทีกระบอกจีวรเวลาของมีมา ตัดให้องนันนั้นๆๆที่เดดตัดโครงให้อ่นั่นองนั้นตัดจีวรให้องนี้ตัดทั้งตาให้องนันนั่นนั้นภาเป็นยังงนั่นนั่นท่านดูตั้งมออย้รู้นะาไม่บอกท่านดูแล้วใครจะวดเลย่หท่านเราอยู่กันแค่ตาใสอยู่กับตาแมวมันไม่เห็น ข้ตาไม่พิจาราตาไม่แข็งเกีตาท่านแั็งเกีตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้นก็แสเสียงมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทาโน้นก็รู้ทางนี้ก็รู้ต่อเนื่องกันเลยมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันทีถ้าคํามรูไม่ออกจากตัวมิจะกระแสความรู้ของจากโน้นความรู้อันตั้งเดิมมักินอยู่นี้เรามันไปทั้งหมดเลยเล่าแล้วไปหมดมัเหลือแต่ร่างมันก็ผิดกันงแต่ที่ นี่มายอมนับนไม่สราบเวลาไหนทั้งเถอออือจิตไม่อยู่กับตัวนี่เวลาไหนไม่มีหนี่เนนะเป็นประจำเรียกว่าอากาลิโกอาการลิกจิตจิตไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดทอนความรู้ซึ่งเป็นหลัธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตอนระยะนั้นมรู้ได้รายาะรายะนี้ลึกได้ระน้ลึไม่ได้ มันไม่เหมือนมือนท่งเวลาเท่นี่โอเสียงนี่เสียงทั้งกลงวันได้ยินประตูว่าเึงดังดังเรื่งยิ่ธรรมะสูง้ท่าไรละเอียดเท่าไร่หมุนเตี้วเตี้วไปพลังของจิตพลังของธรรม มันควรจะเป็นอุปราคาเรื่อนนงนั้นอย่างทั้งท่านคุ้นใครมไม่คุ้นใคราทำงานผ่าเผย อ, อยู่ตลอดเวลาทำตะเพิ่มนี้ไม่คุ้นใครรอบโดยลตลอดแล้วตเพิ่มคือตมมนาครัชั่วโมงนะ อย่างน้อยสองชั่วโมงเกิดมาแล้วกยังหน้อยสองช่วโมงดีแล้วก็คืเกินมากเห น, น, นื่อสามชัวงบาทีส่ชั่วงันเพลินเพราะเรารมุ่งต่อทำอย่างยิ่งอยู่แล้ ว, ลวหนึ่ง และอยากได้ยินได้ฟังเพื่อเพิ่มกําลังของจิตใจและให้การยืยบความรู้ควา ม, วามสนาดในแง่ต่างๆของธรรมปฏิบัติหน<ม>ึ่งจากการฟังการอบรมของท่งาน<ม>แล้วท่านเทศนเทศนอะไรอย่างจริงจยางจริงไม่มีที่ค้านเรียว่าถูกต้องทุกเลิกบททุกบาททุกคําไปเลยไม่มีอันไหนที่จะเลือกว่าอันนี้ผิดไม่ม นั่นผู้รู้จริงพูดออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ฟังเพื่อความมุ่งอัดมุ่งทำอยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ผลอย่างน้อยก็ก ต, ตั้งตัวเป็นมสมาธิขึ้มนมาได้จากการอบรมของท่านเราถึงเชื่อเชื่อจริงเร็งการสั่งสอนอันนี้อางขั้งปฏิการและวย่างระบดรู้มรผลน่พพานไม่เชื่อได้อื่น ความจริบได้อความตอนมันเป็นหัวใจเราก็เหมือนก่าใครจะเป็นตนก็ได้เพราะเรามันอึนงเหมือนกับคนตามบอดเราบอดคนเดียวเหมือนกับโลกที่เขาจะตาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยังไงมันบอดเยังคนเดียวแต่เรานอกนจากตามดีเขาไปเห็นนลยยี่นี่หูงวงจะเนาคนอื่นเขาหูดีเขาคนดียังไงหรือปิดหูก็ได้เหรือตาเราใจเรามันบอด ตาใจก็อื่นไม่บอดเขาก็รู้ได้เหมืหนไ้ทีเเขาทำเพื่อทำใจให้สวา่างมีนิ่ัยทากานจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดยาเป็นนักกอน